เรื่องทรงอนุญาตผ้าเช็ดปาก35มหหครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาถือผ้าเช็ดปากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาค โปรดรับผ้าเช็ดปากของหม่อมฉันเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลานานเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับผ้าเช็ดปากแล้วทรงชี้แจงให้นางวิสาขามิคารมาตาเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้า ปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาจึงได้ลุกจากอาสนะ